หลักคำสอนขบุตร ท, ที่ท่านใช้กันสร้างบุญสร้างกุศลคู่กันถ้าว่า จ, จะแปลอย่างนี้ก็เป็นความหมายความหมายมันต่างกันอยู่ห น, หน่อยนึง้างบุญทำบุญก็เหมือนกับการให้ทานรักษาศีลสร้างกุศลก็หมายถึงภาวนา ภาวนากรรมอันแท้แปลเอาความหมายง่ายๆแปลว่าเราทาให้ใจเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่อื่อนใจให้ใจรู้จริงเห็นจริงถ้าใจไม่ยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ติดมันก็คล้องอยู่นั่นแหละพระพุทธ เ, เจ้าพิจารณาปัจจัยาการเมื่อพระ อ, องค์ มาตรัสรู้ตรัสรู้แล้วแล้วก็รู้สัวยมุดไม่ใช่เพราะตรัสรู้พอใจได้สมาธิได้ญาณสามแล้วยาณสามมาถึงภูเก็ตนิพพานุสันตญาณยุตูปัปตตาญาณและอาสักวะอาสักวะขยาน อันนี้ตอนใกล้รุ่งปฏิมยามของพิจารณาปัจจัยการปัจจัยการคือตัวมิปสารนาญนณตั้งปัญหาขึ้นมาทำไมมนุษย์ทั้งหลายจึงมีแก่ ม่จิบใค้ได้ป่วยและตายแลจึงมีความโศกเศร้าโศกกาปริเทวนาการร้องไห้น้ำตาไหลทำไมจึงมีอย่างนั้นนี่ปัญหาที่ท่านยกขึ้นมาเอาง่ายๆก็หมายความว่าทำไมมนุษย์ทั้งหลาย จ, งจึงแก่จึงจิบใครแต่ก็จึงตายก็เมื่อเมื่ มันแก่มันเจ็บ ม, มันตายแล้วมันก็ต้องมีร้องไห้คำควรอย่างธรรมดาแ้วก็นี่เป็นการนึกคิดพิจารณาถามปัญหาถามด้วยกำลังสมาธิเมือ่อพทดีเราทำใจของพระองค์ให้สงบแล้วนับเป็นสมาธิแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาล้าทำไม่ มนุษย์อาษทางหลายนีจึงมีแก่เจ็บตายกันส่วนมีสซกาเทวนานันอันนั้นมันเป็นผลนล้วละ่ะนี่ว่าจะก็แก่เจ็บตายกันแล้วกันทำไมจึงมีแก่เจ็บตายเป็นปัญหาท่านี้เมื่อใช้พลังแห่งความสงบนั้นเพียนาก็ได้ปัญหาขึ้นมาก็ได้คำตอบ เพรามนุษสัต์ทั้งหลายนะั้นมีรูปร่างกายมีรูปร่างกายมีขันห้านั่นแหละเป็นชายเป็นหญิงก็มีขันห้าศาสตร์ยชานก็มีขันห้าเมื่อมันมีขันห้าแล้วอาจจะว่าเมื่อมันมีรูปร่างกายกันแล้วมันก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่ยวยก็ต้องตายรวมคันแล้วก็ มาเกิดเกิดขึ้นมามีรูปร่างกายนี้มันจึงไม่แก่จึงไม่เจ็บไข้และป่วยแล้วก็ตายทีถ้าไม่มีรูปร่างกายเงนี้มันก็ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอันที่จะแก่ที่จะเจ็บไข้และป่วยและตายแต่มนุษย์ทางหลานนะชอบชอบเกิดไม่ชอบตายเพราะไม่รู้ความหมายคาว่าความจริง่ะความเกิด ความเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแห่งรูปขันเนี่ยนะมันยิ่งเป็นทุกข์นักกว่ากว่าตายเนี่ยพุทธเจ้าได้ได้ปัญหาได้คำตอบขึ้นมาเพราะว่ามีรูปร่างกายนะทำไมจึงมีรูปร่างกายรูปร่างกายเนี้ยมันเป็นเป็นขันห้า มาเกิดใจนะมาเกิดอาศัยขันห้าอาศัยรูปร่างกายนี้เอารวมแล้วก็ใจเนะี่ยมาอาศัยรูปร่างกายนี้มาเกิดอาศัยรูปร่างกายนี้มันจึงแก่เจ็บตายการนี้กันอนปัญหาเข้าไปทําไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ทางไรนี่ยปัญหาตัวนี้ละเอียดลงไปทําไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ ศาตราทั้งหลายก็ได้คําตอบว่าที่มาเกิดนั่นน่ะที่มาเกิดอาศัยขันห้านั่นน่ะอย่างว่าใจของพวกเราเอาฉเอาใจของพวกเราอะไรกั น, กนที่มาเกิดอาศัยรูปร่างกายนี้่ราะใจ เพราะใจมันมีพบใจนั้นมันมีกามมาพพมีรู ป, ประพและอารปประพใจมีรู ป, ประพเป็นยังไงใจนั้นมีความรักความชังกามจึงแปลว่า ม, มีกามแปลว่าความไข่ความรักความยินดี ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัพฑ์อาการที่ใจลักในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์พอใจหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรนจึงเนี่ว่าเป็นกามากุลห้าใจนัค้องในกามคุณห้านั่นเองอ่ะแา่ใจนั่งค้องในกามากุณห้านะมันก็เป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดละ่ะ เป็นผู้ที่เกิดเป็นกรรมมาพบหรือกรมาภูมิว่าถึงพบปีสามกามมาพบรูปประพบอรูปประพบว่าถึงภูมิมีสี่กรมมาจรภูมิรูปรมาจรภูมิอรูปรมาจรภูมิแล้วก็โลกกตระภูมิ พบเงินหมายถึ้งพื้นแพลจิตใจของคนที่มีความยินดีความพอใจมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนั้นแต่พบนงินหมายทั้งสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจิตจิตมันคล้องมันติดอยู่ตรงนั้นอยู่ในพวกไหนในพวกมนุษย์มนุษย์ จะกรเทพบมูธเท พ, พดาทั้งหลายสวรรค์นั่หกชั้นติดอยู่ในข้องอยู่ในกาลมคุณห้านี่นะฮะและสันนิชานอีกด้วยสันนิชานก็เกาะในกามคุณห้านั่นเละสันนรกเปตสุรากายก็ในกามคุณห้าทั้งนั้น อย่างไรอยู่ในพวกกรรมกรรมมาพบย่อยเอาเรื่องของภาวนาโดยตรงถ้าใจของแต่ละคนละคนนั้นใจยินดีในลูกในเสียงในกลิน่นในรสในผลพระ นั่นแหละเรียกว่ากรรมเกาะในกามถ้าใจมันยินดีพอใจมันจะไปไหนตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่หมายถึงว่ารูปร่างกายอันที่มีอยู่นี่ที่มันก็เป็นวิบากขันมาแต่อดีตจึงมาได้รูปอย่างนี้เอา้าทีนี้ใจก็ยังไม่หลุดจากความยินดีพอใจในรูปเสียงกินรสโถฐะปา มันก็ต้องวนเข้าที่เก่านะ่ะแม้ขณะที่อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็วิ่งเข้าหาสิ่งนั้นิหารูปหาเสียงหากินหารถหาโพธิ์ทภาอย่างนี้ไปลูกที่ททเอาไปการมาอก่อนรูกต้งรูปหน้ารักใคร่พอใจลูกตรงกันข้ามเอาถ้าว่าตามชายหญิง่ะถ้าถ้าผู้ชายกับลูปผู้หญิงนั่นแหละเป็นที่รักใคร่พอใจของเขา เสียงผู้หญิงนั่นเองอ่ะกินผู้หญิงนร่นลดกามลดกามที่ได้เสพนั่นผ่อนผ้าก็การถูกต้องสัมผัสกันยิงในวาอยู่ในกามปุ่นห่าหายใจมันคล้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมันคล้องอยู่นั้นมันจะจะไปที่ไหนมันจะไม่เกิอดอ่ะมันมีเครื่องผูกเครื่องรัดอยู่ตรงนั้น ยังมีครื่องผู ก, กลัดอยู่นั้นมันก็ต้องติดข้องตายแล้วก็เกิดดิบเกิตายแล้วก็เรื่งางอาศัยขันห้าเพราะยังเกาะอยู่ในขันหาน้านี่เรื่องขั้งะรกกนหมายถึงเอาขันหา้างใจเอาใจใจนี่อาศัยขันหาน้านี่ได้แล้วอาศัยขันหา้าหมันถึงรูปรลังกายที่ตัวเองในดนี่แหละอาศัยขันหาน้างเลย แล้วยังปาถ น, นาขันห้าอื่นซึ่งมันเป็นฝ่ายอนาคตซึ่งยังไม่มีก็นึคิดอยากจะมีอยากจะเป็นใจมันติดอยู่ตรงนั้นยึงเป็นที่เกิดนะทีนี้ก็ผู้ที่มีกลางจยนทูนั้นก็เป็นทั้งสองคือเป็นทั้งกุศลและอกุศล ใจมีการมุคุณอยู่แต่ว่ามีความอายบาปมีความกลัวบาปนี่เมตตากรุณานี่ขบก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นเป็นฝ่ายกุศลหรือเอาความอายบาปกลัวบาปมันเป็นแม่บทใจที่มีความอายบาปกลัวบาปนั่นะคือศีลมีเมตตา หมายถึงความรักใคร่ ย, ยินดีหวังดีต่อกันเหมือนกับอย่างพ่อและแม่หวังดีต่อลูกๆตัวเองหวังดีต่อยาดญาติของตัวเองนี่ถ้าใจมนุษย์นะถ้ามันได้อบรมมันแคบเป็ตากรุณาในพี่นน้องในญาติในมิตของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นยังอิจฉาโดยซ้าไป ใจมันใจมันก็ต้องคล้องอย่างนั้นนี่เขไม่เห็นโทษก็มองเห็นว่าเป็นความสุขทําไมจึงจติดในกรรมคุณฑะนี่เพราะมองเห็นเป็นความสุขถ้าได้รูปได้เสียงกินรสโผฏฐาพายอย่างนั้นมันก็เป็นสุขเขาๆสุขของแผ่โลกมันเป็นอย่างนั้นพอใจอนั้นในส่วนของม น, นุษย์นี่ก็เรียกว่ากรรมคุณฑหน้าเนี่ยมันยังหยาบอยู่หน่อยนึง ยังเป็นของเทวด า, อ า, า, อ า, วดาของเทพพุทธเทพธดาเขาละเอียดกว่ามนุษย์อีกแตจยิงวิเศษมีความวิเศษได้รับความสุขยิ่งกว่ามนุษย์อีกใจมันจึงติดอยู่ในสิ่งนั้นใจไม่เป็นพูด ก, กังใจไม่เป็นอิสระไปเกาะเอาสุขข้างนอกเอาลูปมาเป็นที่ชื่นอกชื่นใจ เอาเสียงเอากินอารสปวดทวานั้นเป็นที่ชื่นใจชอบใจเป็นเครื่องอยู่มันจึงเป็นเหตุให้เกิดในการมาพบในการมาพบนี่แล้วแต่ใจนะ่ะเป็นกุศลและอกุศลถ้าใจเป็นกุศลก็ได้เป็นมนุษย์จะเป็นเทพ <c oughs> ถ้าใจเป็นอกุศล ลสุรากายเสตชา น, นู่นนี่คือการพบทีอารูปประพบอารูปประพบก่อนรูปประพบก่อนรู ป, ประพบ ก, ปปพบกหมายถึงใจอีกเหมือนกันใจนั้นติดในองค์ฉานองชานถ้าเป็นชานที่หนึ่งมีองห้าวิตกวิจาร์ปิติสุขเอกตา มีองค์ห้าเลยเป็นฌานที่หนึ่งใจมีองค์ห้าอ่าทีนี้ใจอยู่ในองค์ฌานต่อไปปฏิบัติต่อไปวิตกวิจารองค์ฌานที่สององค์ขาดไปคือวิตกวิจารหายไปเหลือตะปีติสุขเอกขตาเป็นฌานที่สอง กำหนดต่อไปอีกปีติฌาน ท, ท, ที่สองนะั้นมีองค์สามเป็นปีติสุขเอกาตาเ พ, เพ่งพิจารณาไปอีกวิตตกวิจารตกอาเมปีติลดไปเหลือแต่สุขกับเอกาตาเป็นฌานที่สามกำหนดต่อไปอีก จนสามารถละุกนั้นกายเป็นอุปเปกขาเดี๋ยวอุปเปกขากับเอกตานี่เป็นฌานที่สี่รวมความง่ายว่าใจที่คล้องในองค์ฌานที่อยู่ในองฌานนี่นะตั้งแต่ฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่สี่ นั้นก็เป็นทางให้เกิดเกิดเป็นผมผมสิบหกันทานสี่เนี่ยผมได้ถึงผมสิบหกขันนะแบ่งไปตามชั้นชันนะตามลานดับไปแล้วก็มีอายุยูนนานกว่าเทวดาพระพุเทวดา เพราะใจมาอาศัยรูปตัวเองอย่างข้องในขันยังข้องในขันห้าพรมก็ยังยังมีมีรูปเป็นรูปผมก็ยังมีรูปอยู่อาศัยรูปมันจึงเป็นเหตุให้แก่เจ็บตายแต่พระผมพรมนั้นก็มันไปนเคลื่อนเคลื่อนเกิดดับมาเกิดดับกันแล้วกัน แต่นนุษย์มั น, ม, นมันแก่ตายที่เป็นรูปภพใจของคนไปติดอยู่ที่องค์ฌานทีนี้อรูปภพเอกไม่ใช่อันนี้ก็เป็นองค์อรูปฌานองค์รูปฌานก็มาอากาสารนจายนะวิญญาณญจายนะ่ญญนะกินจันยายนะเนวสัญญาณนะสัญญาณนะใจก็อยู่ในฌานะนั้นเหมือนกัน มันก็เกิดไปเกิดเป็นผมอย่างนั้นลองความว่าถ้าใจของคนทุกคนยังติดยังติดลักในรูปเสียงกีดโดสโพแทไฟก็เกิดอีกในติดในรูปเสียงกีดโดสโพธะปะแต่ว่าติดในองค์ของสมาธิขององค์ฌาน เขาเกิดอีกเป็นรูปประชานหรือไม่เกิดไม่ยึดในองค์ประชานแต่ว่าอารูปปะชานอีกเอาว่าง่ายกว่าไม้ก็เพราะอารูปปัชานนั้นคือติดติ ด, ตดขเข้าไธนาเขาเกิดอีกอย่างไม่เข้าถึงนด้ผ่าน อันนี้หลักปฏิบัติที่บุเดเจ้าสอน่เนี่ยสอนให้ป่อยวางความยึดถือในกามภพบรูปภพบและอรูปภพบปล่อยวางไงว่าตามหลักของหลักภาวนาใหมกานดับแรกจึงให้สร้างสมถะ ให้ใจสงบเป็นสมาธิหรือถ้าใจยังไม่สงบเป็นสมาธิแล้วยั ง, ยงมันจะไม่เข้าถึงใจเข้าถึงหนึ่งรู้มารู้จักลองรู้ตัวเองให้ใจสงบเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดมันจึงจะรู้ว่านี่คือใจอันนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรรูปเรียกว่ารูปขันห้5 นี้คือสมถะกำหนดรู้ขันห้ายัางไม่ปรัชนาอีกำกำหนดรู้วันรูปเวทนาสัญญาสังขารญญเป็นของเกิดดับรูปแก่จิบตาย เวทนาก็เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับสิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นเป็นนิจจังทุกขณตาแต่ใจไปอยู่อาศัยของที่เป็นอนิจจังทุกข์าานะตามันมีทุกข์เมื่อใจมองเห็นเสิ่งนะ้มองว่าเป็นกองทุกข์เมื่อมองเห็นว่าอาการที่ใจมาอยู่อาศัยขนันห้าม อาศัยขันห้านาะ้นนะั่นะคือกองทุกใหญ่เพราะขันห้าขันห้านั้นมันไม่ดำลงอยู่ยงั้นมันจะเปลี่ยนสภาวะหลักการที่จะดับไม่ให้เกิดอีกนะันคือสมถาวิปัสนาอามาสามารถสร้างสมถาวิปัสนาให้เกิดมีแล้วเมื่อใด ก็ละถอนปล่อยวางไม่ได้เอาว่าที่มาว่าถึงเมื่อองค์ใกล้ๆเอาใกล้ๆภาคปฏิบัติของเราที่ใกล้ๆนี้คือภาคปฏิบัติของเราเพื่อมรรคผลแล้วก็ปฏิบัติตามองค์มรรคตามองค์มรรคทำไง แล้วก็ใช้สัมมาวายามะในองค์มรติสัมมาวายามะแต่ว่าเพียนทะยาเพียนชอบในองคเราเพียนอะไรเพียนตั้งสติเพียนรักษาจิตเพียนรักษาจิตเพียนตักจิตให้มันเป็นหนึ่งครั้งแรกเพียนรักษาจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือให้ใจเลยเกาะ อ, อารมณ์ก่อนให้เกาะ อ, อยู่กับอารมณ์ก่อนอย่างที่เราใช้กรรมฐานกําหนดลมหายใจพู๊บโถปุ๊บโถนจก็อยู่กับลมหายใจเท่ากันอยู่กับลมหายใจก่อนยังไม่อยู่เฉพาะตัวเองคือยังไม่ไม่อยู่เฉพาะดวงรู้เฉพาะแต่ว่าดวงรู้นะเกาะกรรมฐานคือเกาะ ลมหายใจคลองหรือกับพุโทโธหรือไม่แต่นึพ้พุโทโธพุทโธอย่างเดียวก็จะเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเหมือนกันต้องทําอารมณ์เป็นหนึ่งนะให้มันชานาคคือกําหนดลมหายใจคลองมาเบื้องแรกนะแล้วกาหนดลมหายใจพุโทโธประดัระวังตั้งสติให้ดียยอย่าให้พังอย่าให้เผลอย่าให้นิวรมาครอบงําอนาปานะสติ กำหนดเร า, าหายใจของนันน่ะมันเป็นเครื่องกำจัดอุทธจารกุกจะความฟุ้งซ่านลำคาญนะได้ถ้าตั้งใจดีๆแต่ว่ามันเข้ากับเทนิบิธานะความน่องเหาหานอนมันห า, า, หาเรื่องดีๆกัมันครอบงำเราไม่ดี ส, สติเคลิบเคบิมอย่างเวลา เ้าทำตามขั้นตอนหนังที่เคยไหา้ฟังก็ได้แต่ถ้าว่าทำตามขั้นตอนแล้วมันมันไม่เป็นเครื่องอยู่ได้เราก็เล่นลมได้มากไว้ก่อนถ้าเล่นลมแล้วเราก็ต้องสังเกตดูไปถึงขั้นไหนตรงไหนที่มันเป็นเหตุให้เราเครือบเคิมหรือบางคนก็กำหนดลมหายใจของแล้วอังแรกลมหยาบๆมันไม่เป็ น, ห, นหรอก ถ้าลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วเหรอเย็นเข้าเย็นเข้าก็เลยลืมตัวเองเลยนะเหมือนเคอะเคร์บไปไม่ได้หลับแต่เคอะเคิร์บเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเนีงยแหละคือสติเหมือนบริบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราสังเกตว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ใช้ลมเบื้องต้นสักก่อนกำหนดลมหายใจพุท ปอยมาโทรโอ้โหโทหายใจอยากกบกระทุ่งเข้าไปหาตรงจุดตั้งเข้าถึงที่ตั้งนะหายใจบอกโอูโมาโทจนได้ดีแล้วนะ่ะหยุดทนะีจับจิตของเราไว้ตรงนั้นนะี่ตรงที่ลมกระทบนะี่ให้อยู่ตรงนั้นทีนะ ให้รู้อยู่ตรงนั้นเอาพอรู้น่น่นเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาทีนะสังเกตจิตอะไรทีเนี้ยสังเกตจิตจิตมันจะได้รับผลอย่างเทีนะรับผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเยมันเกิดขึ้นเลยนะ น, น, นี่ถ้าว่าว่าไปตามลำดับ เรากําหนดลมหายใจเข้าออนี่นะหายใจพุทโธพุโธพุโธเราสังเกตลมไป่ได้เลยแล้วผลมันจะเกิดขึ้นคือกายเรารู้ลมแล้วเวทนาเวทนาก็ปรากฏขึ้นในที่ลมที่เรากําหนดลมนั่นแหะเรารับรู้เราทราบว่านั่นเวทนามาเกิดแล้วมันเป็นทั้งสุขและทุกข์ครั้งแรก เราทําลบดีๆเสมอมันก็เป็นเหตุที่สบายกําหนดไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวจะเกิดทุกข์นั่นเอเป็นทุกขเวทนาก็กําหนดรู้นั่นแหละทุกขกายเวทนาแล้วจิตอ่ะจิตก็ไม่รู้นียได้สามอย่างสติปัฏฐานได้สามอย่างกายเวทนาจิตเราสํำรวจอยู่อย่านีน้อย่าให้ใจเขิบเขิบ เอาลมแล้วเป็นแม่บทรู้ลมเข้าลมออกครั้งแรกเราสูบลมหายใจเข้าออกพูโทพูโทพูทสุดท้ายก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่หมายหมายแล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยรูล้ลมด้วยแต่เราไม่สูบละ่ะรู้ลมด้วยรูล้ลมหายใจเข้าด้วยแล้วก็ตั้งเนี่รักษาไว้ในจุดนั้นแล้วสังเกตว่ามันเปสนสบเป็นทุกเกิดขึ้นมาด้วยแล้วตัวที่สังเกตตัวโดแล้วก็คือจิต ในจิตรับแล้วผู้รับสุกรับทุกข์ก็คือจิตีงต้องสังเกตระหว่างจิตที่เป็นทุกข์กับจิตจิตมันมันไปรับว่าเป็นทุกข์นะนนหลักก็ว่าทุกขให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ละ ทำยังไงทุกกาหนดดวงรู้เขากำหนดดรงรู้นั่นเราจะเอาใจใส่ตรงที่มันทุกต่เอาใจใส่ดรงรู้เอาใจใส่สภาวะที่รู้ทำยังไงประคองความรู้สึกเข้ามาหาหาจุดหมายอย่าเพ่งมองไปหาหาสุขหรือหาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นรนะคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่หมาย เขยว่าเข้าสู่ดงรู้กําหนดรู้นะกําหนดดงงู้ก็หรือเรากําหนดใจรู้ใจกันแล้วบันเมื่อทุกเกิดขึ try, ้นก็รู meer, ้ใจสุขเกิดขึ้นก็รู้ใจรู้จุดที่หมายเละให้ใจเป็นหนึ่งจนกว่าใจเนี่ยมันรู้รู้สุขรู้ทุกเกิดขึ้นมารู้ใจเลยก็รักษาใจเมื่อเราทำอย่างนั้นนี่ก็เราใช้ปัญญาพ้อมกันไปเล ก็จะเป็นหนึ่งครับเนี่ยบางที่ะนั้นจิตเป็นหนึ่งแล้วจึงจะทํางานอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันไปตามขั้นตอนของสิติบัตฐานก่อนให้ใจเป็นหนึ่งแล้วรวมเข้าสู่จุดตั้งแนนีขึ้นดองรู้เข้าหาดงรูดดองรู้ความรู้สึกรู้อยู่นะั้นเนี่กว่าใจ แล้วก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้นั่นไปรู้เนี่ยไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกรู้อยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่ไม่มีความคิดความปรุงความแต่อยู่นั้นแต่ว่าให้ไปรู้อยู่เรียกว่าเราเข้าหาใจกาหนดรู้ใจให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นรู้จุดนั้นตรงจุดนั้น จับจุดนั่นได้แล้วตอนนั้นจริงเนี่ยอ่าจริงนี่ยบอกว่าบอกว่านี่นี่ใจอยู่ตรงไหนใจรู้คือรู้และใจนี้มันมีเครื่องประกอบประกอบตรงเครื่องประกอบอันแบบแรกก็คือเวทคือวิญญาณวิญญาณไปรับเวทนาสัญญาสังขาร การรับเวทนาสัญญาสังขารกล้วเรากำหนดรู้ตอนนั้นอ๋อกําหนดรู้แต่และอย่างนะแล้วก็ดูจิตกับเวทนาเช่ไหมรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็กําหนดเราตอบได้เห็นว่าผู้ที่รับทุกข์นั่นคือใจ ทำสอนพระเจะาวาให้กําหนดรู้ทำ อ, อ, อย่างนีอย่งนั้นอ่ะแต่มันไม่ครอบงําดงรู้ดอกทุกเวทนากับทุกเวทีมันมันครอบงาําจิตไม่ได้ที่มันครอบคงำจิตได้ก็เพราะใจได้ส่งกระแสออกไปเป็นเป็นวิญญาณไปตั้งอยู่ที่วิญญาณไม่ตั้งอยู่ที่ดงรู้ ดังนั้นเมื่อมันสิ่งนี้เกิดเราก็รคลองความรู้สึกเข้าจุดรู้นะเข้าดวงรู้พับให้รู้ในะจุดรูนะ้ถ้าแวบเอาไปหาที่สกปรกนาเหมือนเป็นวิญญาณเหมือนสิ่งเหล่านัมันเกิดขึ้นมาไม่ไม่จำเป็นเอา้าเวลาเราประคองอย่างมันรู้พอเกิดขึ้นมาพับประคองก็หาดวงรู้พับประคองให้รู้ในจุดอย่าง ว่าโอปปะในก็แปลว่าน้อมเข้าม า, าดึงเข้ามาประคองเข้าหาจุดรู้ใหายย้อนและส่งกระแสเข้าไปสู่ทุกสุข ท, ท, ที่มันเกิดแต่และประคองเข้าหาจุดรู้เข้าหาดวงรู้อะไรกันนี่เวลาเรากำหนดลมหายใจเข่าและทางนีน้ให้เราใช้ปัญญาอยู่อย่างนี้อย่าไปทำเฉยเมย คือถ không, fragrant, ้าวัากำนิดลมหายใจเข้าออกเราไม่สังเกตไม่ใช้ปัญญาด้วยมันก็ไม่รู้อาจจะต้อนกันล่างแล้วกำเนดลมหายใจเข้าออกเข้านะเราใช้พุทโธเหายใจพุพุทโธพุทโธพทอาการเราสังเกตอาการมันจะรู้สึกว่าช่มชื่นสบายขึ้นมาถ้าหายใจดีๆนะเราค่สังเกตไปเรื่อย นี่กำหนดไปมากเข้ามากเก้ามันก็จะเปลี่ยนสภาวะนะทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์ไปนะทีนี้ดังนะ้นในขณะที่เรากำหนดนั้นเราก็ต้องเวลากำหนดลมหายใจโพูดโทผทนต้องกำหนดทั้งดวงรู้และทั้งหลม ด, ด้วยเห็นถ้าจะถ้าเราเพ่งมองไปที่ลมหมดเนี่กว่าส่งไปที่ลมทั้งหมดมันเป็นวิ ญ, ญญาณไม่ได้ดวงรู้เลย เนี่ยนะเมื่อเราหายใจพุทโธพุทธโธนะกำห น, นดดงรู้นั้นไม่ด้วยลมก็ลมใจข้าใจต้องกำหนดรู้ไว้อย่างนั้นก็เรียกว่าได้กายเวทนาจิตส่วนธรรมนั้นใจสงบลงอีกครั้งหนึ่งจริงๆมันจะปรากฏขึ้นในหลังนี่นะข้าที่เราปฏิบัติแล้วต้องใช้ปัญญาพร้อมกันไป คืออนาปาเนะี่ยถ้ากำหนดอนาปานั้นกำหนดลมหายใจเข้านดำสติปัฏฐานที่สี่จะบริบูรณ์ขึ้นพร้อมกันเนี่ยแล้วเรากำหนดลมไว้นี่นะกำหนดลมหายใจแต่ลมลมยังไม่ดับอ่ะรู้มลมหายใจเข้ามันก็มันก็มีเวทานาแต่มันก็รู้จักคิดนี่ชัดเจนเลยเนี่ย มีพิตานะครับจิตชัดเจนชัดเจนยังไงพอรู้สึกคนสุขเป็นทุกข์เราจะไปอยู่ที่สุขทุกข์แล้วกําหนดตัวดิกําหนดตัวที่มันสุขมันทุกข์ก่อนสิตัวไหนอ่ะที่มันเปสุขตรงไหนอ่ะเป็นทุกข์ตรงไหนอ่ะอย่าไปดูดูทุกข์แต่ว่ามันยังเจ็บแข่งเจ็บขาปวดที่อืึดอันนะมันไประเพ่งมองอันนั้นนี่ม่ย้อนคืนมาหา จุดต้นมันต้องย้อนคืนมาหาจุดต้นนาะมันเปรียบเหมือนว่าเออความจุงย่างของจิตใจเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเขือเขาที่มันคุ้นคุมต้นไหมเรือเขาที่มันต้นเนะ่ะที่ต้นมันมีเรือเดียวเท่านนะั้นเมืนไปถึงกิงการสาขาแตกแหนงออกก็คุมสะต้นไหมจนทั่วหมดเนะี่ย ถ้าเราจะไปสาจะไปกับมาโหโทษมากเหลือเกินไเครือที่มันแตกแงมแตกกล้ามเยอะแยะแต่ถ้ามาดูต้นมันไม่เครือเดียวเท่านั้นแหะก็จับต้นมา น, นี่นี่หลักภาวนาของเรากเหมือนกันครั้งแรกเรากําหนดลมหายใจพูดทูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าหายใจวบาพูดทูลพูดทูลไแล้วกําหนดลม อาการหนะมันใช้วิญญาณนะใจนะ้ะส่งกไปคำตามกระแสวิญญาณวิญญาณนะ่แปลว่ารู้อารมณ์ให้รู้ความหมายว่าคำว่าวิญญาณใจไปรู้อารมณ์คือใจนั่นแหละแต่ว่าใจมันรู้อารมณ์หรือว่าใจไปรู้ลมหายใจค้องกันแล้วกันมันเลยไปตปิดอยู่ที่รมหายใจคล้องไน้ น, นะไม่มารู้ตัวเองเลย ลองสังเกตุว่าหายใจว่าพุทโทพุทธ่ยใจนั้นแห้งมองไปที่ลมทั้งหมดเลยไม่ย้อนมาหาตัวเองเลยไม่ย้อนหาดงรู้เลยดังนั้นเรากําหนดลมหายใจเขา ood, throw, throw, throw ้าพุทโทพุทโทย้อนเข้าหาดงรู้ด้วยแล้วก็รู้ลมนั้นด้วยถ้าเราย้อนเข้าห า, หาดงรู้นักเข้านะเาเัเดีย๋ยวเดี๋ยวกลมนัก็ละเอียดตอกนไปบางที่ลมดับไปเลย เราไม่ได้อาใจใส่ลมไม่ใช่ลมดับแต่าเราไม่ได้อาใจใส่มันใช่มันจึงเหมือนไม่มีความจริงมันมีอยู่นั้นแหละเรายา้อนเข้ามาลมจะละเอียดอ่อนแล้วก็จะเป็นที่สบายไหลยา้อนเข้ามาดวรู้นี่คือดวงรู้เมื่อไงนี่ดวงรู้นี่คือใ จ, จลมก็ลม เราราลมเข้าลมออกลมเข้าลมออมันเป็นลมไม่ใช่ใจใจคือดวงรู้อันรู้อันนี้เราต้องการให้ให้สติสัมปชัญญะเข้าจับดวงรู้นี้มั่นคงในเวลาหายใจหายใจพุโทโธพุโทพโธกัดคอบดวงรู้ตลอดอย่าไปเอาใจใส่ตร ง, ตรงปลายมัน เดิมมากเอาใจใส่ที่ตอนปลายมานนี่ยนะจะเปล่าพูดก็เลยไปอยู่ที่ท้ายอยู่ปลายมาน่ไม่ย้อนคืนหาต้นบัางมันก็เลยเป็นปัญหาทีนี้แล้วก็เวลาเข้าที่นั่งทีน ะ, ะกำหนดเข้าที่นั่งกาหนดลมมาให้ใจเกาแก่ว่านั่เฉพาะตัวเองน่อย่างน้อยต้อง3ทำทียดี หนาหายใจพุโทโพุจนมันจะเกิดเวทนาอย่างต่ต่อสู้ไปยนนั้นถ้ า, าไปไปพิกไปแพงไปเปลี่ยนแล้วมันก็เอาแ่ะมันก็เปลี่ยนเมื่อมาอยู่อย่างนั้นาการไม่ได้เข้าที่สักทีแั้นเวลาเร า, าเราตั้งท่านั่งเตรียมท่าดีๆอิทุโหนดมันเวลาไหนมันมันถนัดเวลาไหนมีเวลามากพอจะทา สารทีนาทีหรือชั่วโมงบังคับตัวเอ ง, งมันลมหายใจเข้าพูดโทรพูดถ้ามันมีทุกกําหนดลงรู้กําหนดใจรู้ใจไปเรื่อยอย่าไปเอาใจใส่ที่ทุกเดี๋ยวมันสมว่ามันเก็บแข่งเจ็บขาโพดแข้งปวดขาใจก็เลยไปเจาะไปเกาะ อ, อยู่ตรง ท, ที่ที่เจ็บเนี่ยแล้วไม่ย้อนมาหนาดูงรู้ เลยถอยเลยทีเนี่ยไปอยู่มันก็ดิ้นใหญ่แล้วหนึ่งในความหมายว่าทุกข์ให้กําหนดรู้ไม่เป็นไว้ก็เาไปอยู่ตรงที่ทุกข์กันนะแต่ว่ากําหนดรู้ใจความหมายไง่ไงกําหนดรู้ใจคือย้อนมารู้ใจนี้เราทำติดตนน้นเลยกําหนดลมหายใจพุทธูพุโทธ้อนรูด้ดวงรู้อยู่ยุ่ยเตียมก็จะดีขึ้น อ, อันนี้เลื่อนอะไรแบบแริ่มลมอันี้เราจนะพิจารณาสิ่งแั้ล้อมมาเครื่อนไปกอบแล้วก็มากําหนดลมเองก็ได้ไม่เป็นไรยังบอกวิใช้วิปัสสนากรรมฐานใช้วปัสสนากรรมฐานเราก็กําหนดรู้เอาเป็นหัวมนุษย์ทั้งหลายชายหญิงที่เกิดมาแล้วทั้งเป็นชายทั้งเป็นหญิงเนี่ย เกิดมาครั้งแรกก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เปลี่ยนสภาวะไปโดยลำดับเป็นคนเท่าคนแก่ไม่จริคนตายมาเอ า, ม, ามันทั้งโลกเลยเี๋รวมทั้งโลกเลยเลยมองดูมนุษย์ศาสต์ทั้งหลายมันแค่นั้นนะเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะที่จะไม่แก่เจ็บตายมนุษย์สศาสตร์ทั้งหลายก็แก่เจ็บตาย วัตถุสิ่งของอะไร ก, ก็แตกดับไปเหมือนกันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเราเป็นของของเราไปได้อย่า้แต่รูปร่างกายที่ใจของเราคองนี่ก็เหมือนกันมันก็ไปตามสภาวะจะไปเอาอะไรได้มีอย่างเดียวก็คือทุกข์อย่างที่คองร่างกายของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ที่มาอาศัยใจที่มาอาศัยใจมันเป็นทุกข์ เพค อ, องร่างกายนี้ทําไมจึงเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์กับเพราะร่างกายเนี่มันไม่อยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนคือมันแก่ทฒ่าชราแล้วยังมีโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนอีกมันจึงมีทุกข์อย่างนี้เราพิจารณาส่วนรวมคนส่วนก็ปล่อยวางเพราะตั้งใจมันในกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้ไปเลย อันนั้นว่าเป็นอุบายวิปัสนาใค้ปัญญาธรรมดาๆแล้วนะสอนตัวเองสอนตัวเองเออว่าถึงหลับครรําสอนุกข์ปัญญาพุทธเจ้าสอนไว้สอนว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกข์จำพอที่มีการเกิดมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมานะก็ทำแก่เก็บตาย เกิดดีแล้วไม่ดีกะอยู่ที่นี่เกิดดีพอใจเป็นกุศลทีนี้นกุศลนั่นอาศัยมูลเกียรติวัตถุแล้วเป็นเครื่องฟอกจิตนั่งของกินอย่างมาทานทำไมา ย, ยินดีพอใจในการเสียสละวัตถุสิ่งของที่ตนเองได้มานะก็เปเรือยก่อนอะไรยินดีพอใจในการให้ แล้วทำลงไปมันก็เลยเป็นทานะไมยไปเรื่องรับที่จิตใจทเนี้ทีแล้วไหมไม่ใช่สิขามั้นถ้าความอายบาปกลัวบาปที่เกิดขึ้นอาว่าถึงหลักสิ่งที่แกเจ็บตายอย่งนีสิ่งที่ม น, มนุษย์ทั้งหลายแกเจ็บตายเยอะก็คือรูปร่างกายนี่แหละนังด้ว่ามาให้ฟังต้นหลัก รูปและกายนี้เป็นของแก่เจ็บตายของไม่แก่เจ็บตายละอะไรอ่ะเถอะของไม่แก่เจ็บตายก็คือใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจไม่ให้หลุดพ้นเอ่านี่ว่าโดยย่อๆนะสอนให้เอาใจนี่ให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากการอยู่อาศัยขันห้าถี่ใจจะไม่อยู่มาอยู่อาศัยขันห้า ใจที่มาอยู่อาศัยขนันธ์ห้าเนี่ครับพ่อมีการมองพบรูปบพบอรูปปรพบใจมันมีพบอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องมาอาศัยขนันธ์ห้าอย่างถ้าจะไม่มาอาศัยขนันธ์ห้าเนี่ยใจต้องเห็นจริงหเห็นว่าขนาันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มัป่ปใจอย่างไรใครจะไปถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ทั้งนั้นนะเป็นนอกเกิดมาแล้วใจนี้มาอยู่อาศัยรูปร่างกายในช่วขงหววนึ่ง น, นี่งนตัวเรารู้เรามาอาศัยมันแล้วเราจะต้องอาศัยทำประโยชน์ให้ใจนี้ได้ประโยชน์ที่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายนั่น ใ, ใจนี้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้น มาภายในในะสีก็คือสติเช่นเดีนไกลทานเด็กก็มานท่านรู้ใจโดนธรรมดาวันหลึกนึกได้แนกวา่าสติแต่ว่ า, า, ว า, าทึงนภาคภาวนาใม่หมานถึงกอนหมายถึงรู้ใจไปไหนอยู่อย่างน้นก็รู้ใจตัวเองก็แล้วกันรู้ใจเอาใจ ก็ทําไงไม่ปกติถ้าว่ากําหนดไม่เป็นเหมือนวิ่งเข้าหาอารมณ์สมมุติว่ามันคิดมันปรุงมันแต่งมากกเกินไม่ไม่ต้องการทํามันคิดมันปรุงมันแต่งไม่ให้มันคิดอ่ะมันยิ่งจะคิดก่อนเกิดสมอยจะพังเอาทั้งทัี่ไม่อยากแกคิดอยากจะหยุดคิดแต่มันก็วิ่งคิดอ่า ปรับไม่เป็นน้ไม่ได้หลักพรามานาไม่หลักคําตอนไม่แย่วโอปนัยจิโกไม่อยากความคิดความปรุงความแต่งธรรมดามันจะคิดเป็นตัวเองเหรอไม่ต้องไปกลัวมันหรอกคนที่มีความคิดที่ผุดขึ้นนั้นมันเป็นคนมีปัญญาจะต้องปรับความคิดปรุงให้มันถูกต้องเราจะให้มันหยุด ถ้ามันหยุดคิดเดินความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับทันทีประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ไม่ต้องไปปัดเอาคิดก็คิดให้ดูดูตัวมันคิดดูดูตรงรู้นะ่ะดูตรงจุดรู้นะ่ะประคองไว้ที่จุดรู้เนะ่ยมันก็หยุดแล้ว คือครัง้งแรกก็ประคองเข้ามามันก็มันก็ลำบากหน่อยหนึ่งแต่เมื่อประคองได้ดีแล้วมันอยู่ในช่วงขนาดหนึง่งแล้วมันกอ็อารมณ์ที่ใจที่จะคิดปรุงมันก็ตกไปครานี้นก็ใช้ปัญญาละลายมันได้จริงเนี่ยพอมันตั้งตัวได้ก็ใช้ปัญญาละลายได้เห็นไหมมันไหนในความคิดความปรุงแต่มั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นตัวสังขารคิดปรุงแต่ มันปรุงมันแต่งไปตามสภาวะนะัมันเอาสัญญาเอาสัญญาแาเป็นเครื่องพุกมุงควันุแต่งสร้างิม่มาไม่ว่าสร้างฝันปัดคำสอนไิเจโดยยอยๆให้จำว่โอปนายิโก จะมีอย่างเกิดขึ้นในจิตพรประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุด ต, ตั้งพับเอาเรื่องความเดี๋ยวสมมติจิตใจมันหมดกิจมุ่งงานก็นมาเกิดชั่งก็ได้ลประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งพับก็จะดับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาละลายออก บองเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่มาครอบงำใจไม่ใช่ใจใจนั้นน่ะมีสภาวะที่เพียงรู้นี่เท่านั้นเดะแยวมันเป็นธาตุรู้อันหนึ่งที่มันมีในในี้ใจที่เป็นกุศลอกุศลมันเป็นวิญญาณไกลายเองออกจากฐานของมันรวมความแล้วว่า เราต้องให้ใจเขานะ ร, รู้รู้ยิ่งเห็นจริงรู้ยิ่งในสังขารรู้ยิ่งในขันห้ารู้จักว่านี่คือขันห้าขันห้าเนื้อไม่เที่ยงเป็นทุกเบลิาตาสังขารมีสองสังขารที่มีเจรองหมายถึงมรษสัตว์ต่างหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเบลิาตามากันสังขารไม่มีเจรองแผ่นดินต้นไม้ภูเขา อ น, นั้นหนึ่งมก็เปลี่ยนสภาวะเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์ทางไหนก็ไปห่วงอะไรอันนั้นละ่ะดังนั้นมันยังสอนนะให้ใจของเรานะี่ยมองเห็นปีกกองทุกข์เราสู้อย่างตัวอย่างที่มนุษย์ทางหลอาศัยนั่นมันเป็นสุกนะมันเป็นสุก พระพุทธเจ้าบอกสุขนั่นหละมันก็ไม่ทุกข์อยู่ไหนนะเรียกว่าสุขเองอามิตรอย่างสิ่งที่เขามีเขามีรามีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสผลต่างพระมีกรรมคลห้าอะไรนะเป็นสุขอนะทีนี้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะเพระมันเปลี่ยนแปลงนะั้นจึงเป็นทุกข์ไปอย่างพวง อารมณ์ที่เขามีเขามีสามีพะยาะแปลว่ามีสามีพะยานะั่นเป็นสุขอ่ะก็เป็นสุขอ่ะแล้วกัเป็นทุกข์อย่างไรนั่นนะมาเคยเปรียบเช่ว่าเออที่เขาเป็นเป็นสุขมันเป็นทุกข์แม้จะเป็นทุกข์ก็ไม่กลัวเหมือนกับ ไอ้ตามพริกเผ็ดๆอนนะนะใส่ออ ก, กินเขามันเผ็ดแต่ว่าอร่อยนะยางานกรมคลทั้งหลายที่เขาเสวยกามคลแม้จะเป็นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่ในนั้นแม้จะมีทุกข์เขาก็ไม่กลัวเพราะมันมีรสอร่อยอยู่ตรงนั้นทีนี้นว่าถึงสิ่งผู้รับทีนี้นผู้รับที่ได้มาทั้งหมด มันเป็นสุขของที่ผ่านมาทางกายทั้งนั้นสุขที่อาศัยกรรมคนณห้าอาศัยอาศัยรูปเนี่ยเป็นผู้เสวยเป็นผู้รับหมายถึงมาที่รูปร่างกายแต่มันมาทั้งรูปร่างกายในรับนะใจเป็นผู้รับแต่มันผ่านมาที่รูปร่างกายใจยังไม่เคยได้งั้นจึงไม่อิ่มจึงไม่เต็ม มันจะไปยิยนดีพอใจเท่านั้นดังนั้นพุทธิจารย์จะสอนา่าเออของทุสิ่งทุกอย่างนั้นไปไปเป็นเพียงไปความยึดถือความยึดถือมันจึงเป็นทุกข์ทิ้งอันนี้ว่าถึงเครื่องอยู่ของพวกเราเวลาเราฝึกขัดฝึกขัดเรียกว่าฝึกขัดสมัณ ก, กับวิปัสสนา ในด้านภาวนาหมฝึกขาดสมาธิคือพยายามที่จะสะกดจิตของเราให้ลองเป็นหนึ่งครั้งแรกเราก็ใช้อารมณ์ปเป็นหนึ่งอย่างนี้กําหนดลมหายใจคุณโทบุตุอย่างที่ว่าแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดให้จะทําจิตให้เป็นหนึ่งในจุดเดียวอันนี้วิวัฒนให้เจรต่อจากนั้นถึงนะเราใช้ปัญญา ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดานั้นซะก่อนภิกษุน่ะนร่แบบใจของเราของคนอื่นนี่เป็นเจ้องโทรหาพิจยณาอยู่หรืบ่อยๆก็จะไม่เป็นเหตุให้เราใจของเราไหวเหงาใจของเราก็จะผ่องสายที่นี้ตอบจากนั้นเราก็วางท่้งรู้ใจท่านจะไปไหนๆก็รู้ใจมันต้องไปพุดโทพุดโธรทุบเลืยตลอดเนา บางคนนะต้องพูดโธตลอดนะกำหนดลมหายใจก็ออกตลอดหายจะไปทําได้ทําไม่ได้หรอกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทําอย่างนั้นแต่ว่าภาคปฏิบัติที่เราจะฝึกนั้นต้องทํำบ่อยๆมาฝึกในการที่จะสงบใจเข้าสมาธิแล้วก็จะให้ปัญญาเนระต้องทําเป็นกําหนดการเวลาอที่เราทำกันก่อนนอนตื่นนอน ตะวันผามาเราก็ใช้เวลามากหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับจูงใจญาติโยมทั้งหลายพักกันยินดีพอใจไปสร้างศรัทธาฉันทกของแต่ละคนละคนนะให้ยินดีพอใจในการปฏิบัติเราจะไปถือว่าในสมัยนี้ปรัสนาภายซ้อยเราไม่อวอาวัฒนาบารมบาลีของเราคงจะไหนบบรรลุกมกขนลนเราต้องเข้าใจก็้องจําระพุทจาสอนให้เชื่อกรรม ใช่าเมื่อเราทำเราประกอบมันจะไปที่ไหนเราต้องทําเป็นประจำกลางคืนก่อนนอนตื่นนอนทําถ้ามีเอวกาอนมีเวลาไหนที่จะเดินจงกรมได้ก็เราก็ทําถ้าไม่มีก็เอานั่งภาวนาได้แต่การเดินเดินจงกรมนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของ อ, อารมณ์ออกกําลังกายในตัวนั่ เราทาที่นำมาการ น, นำมาแสดงทั้งหมดนี่ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้